เมืองสิงห์บุรีดินแดนประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราชาวไทยควรรำลึกถึงวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันวีรชนบรรพบุรุษไทยที่ร่วมกันต่อสู้กับเพื่อนบ้านพวกเขาได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยมิให้พมา่าฆ่าศึกเข้ารุกรานถึงสองครั้งสองคราว น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟในที่สุดลุปีพุทธศักราช 2,308 ในครั้งนั้นผู้นำซึ่งเป็นชาวบ้านบางราจันจำนวน11คนพร้อมด้วยชาวบ้านทั้งชายหญิงไม่เว้นแต่คนชราต่างได้แสดงความกล้าหาญด้วยการร่วมกันคว้ามีดพระอาวุธ เข้าต่อสู้รบพุ่งกับกองทัพพม่าจนตัวตายเสียหายทั้งค่ายบางระจันเพื่อปกป้องปัตพีนี้ไว้ให้ลูกหลานสิงบุรีเมืองเก่าแก่ที่มีอดีตมายาวนานกว่า2 0 0พันปีจากหลักฐานที่ค้นพบ ได้ปรากฏได้แสดงให้เห็นว่าเมืองสิงห์บุรีเดิมนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ทางด้านลำน้ำจักสีต่อมาได้ย้ายเมืองไปตามสภาพลำน้ำสำคัญคือก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาได้ย้ายเมืองไปตั้งทางแควแม่น้าน้อยค่ายบางระจัน ภายหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พมา่าครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310จึงได้ย้ายเมืองสิงห์บุรีมาตั้งทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ริมปากบางต้นโพจังหวัดสิงห์บุรีตั้งขึ้นมาปีพุทธศักราช2438 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเนื่องจากทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเหนือที่จังหวัดอ่างทองนั้นมีเมืองเล็กเมืองน้อยอยู่สามเมืองคือเมืองสิงห์บุรีเมืองอินบุรีและเมืองพรมบุรีจึงทรงปโปรดกลาว ให้ยุบเมืองทั้งสามลงเป็นอำเภอแล้วตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตกณตำบุญบางพุทาและทรงโปรดกล้าวราชทานนามใหม่ว่าเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นสถานที่ให้กาเนิดพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่ควรแก่การเคารพสักการะบูชากราบไหว้ท่านเป็นสุปฏิปันโนกล่าวคือเป็นพระสงฆ์ผู้มีศีลวัรปฏิบัติอย่างดียิ่ง เป็นพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาบารมีเป็นพระสงฆ์ผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงแก่มรณภาพพระเทพสิงห์หกภูราจาร์หลวงพ่อแพร มังโรนาำเดิมว่าแพรท่านถือกำเนิดในครอบครัวของชาวนาเกิดเมื่อวันจันทร์ที่1เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2448ตรงกับวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนยี่ปีมะเส็ง ณหมู่บ้านสวนกล้วยหมู่แปดตำบลถอนสมออำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีบิดาชื่อนายเทียนมารดาชื่อนางนายใจมั่นคงชีวิตในวัยเยาว์ของเด็กชายแพร่นั้นเมื่ออายุเพียงแปดเดือนมารดาผู้ให้กำเนิด ต้องศูนย์เสียชีวิตลงหลังจากที่มารดาได้เสียชีวิตไปแล้วนายบุญและนางเพียนคำวิบูลสามีภรรยาซึ่งมีศักด์เป็นอาได้ขอเด็กชายแพรซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียงแปดเดือนจากนายเทียนใจมั่นคงมาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมของตน ด้วยเด็กชายแพนั้นเป็นหลานชายโดยสายเลือดประกอบกับมารดาก็ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเป็นทารกน้อยเด็กชายแพจึงได้รับความรักความเมตตาอย่างยิ่งจากบิดามารดาบุญธรรมของท่านชีวิตในวัยเด็กที่ผ่านมา เด็กชายแพ้ได้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการเอาใจใส่ดูแลของบิดามารดานายบุญและนางเพียรคำวิบูลพ่อแม่บุญธรรมเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาสิบปีที่อยู่กับพ่อแม่บุญธรรมเด็กชายแพ้ ได้รับแต่ความรักความอบอุ่นความเมตตาอย่างแนบแน่นเฝ้าแต่เอาอกเอาใจตามใจไปเสียทุกอย่างไม่ว่าลูกน้อยประสงค์หรือต้องการสิ่งใดนายบุญและนางเพียนก็ไม่เคยทำให้ผิดหวัง รันอายุได้สิบเอ็ดปีเต็มบิดามารดาบุญธรรมได้นำเด็กชายแพ้ไปฝากร่ำเรียนหนังสืออยู่ที่สำนักพระอาจารย์ป้อมเพื่อที่จะศึกษาเล่าเรียนตามแบบโบราณนิยมคือการออกเสียงอ่านว่ากอกานอกจากนี้ท่านยังได้เรียนหนังสือมูลบทบรรพกิจ อีกทั้งยังได้หัดอ่านเขียนอักษรภาษาขอมบาลีหัดอ่านเรื่องมาลัยสูตรจนจดจำได้เป็นอย่างดีพออายุได้14ปีเด็กชายแพรได้รับการฝากตัวให้ไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสำนักพระอาจารย์สม วัชนะสงครามกรุงเทพซึ่งเป็นพระเขมรเพื่อศึกษาเล่าเรียนหนังสือใบลานโบราณท่องสนธิเรียนวิชามูลกัดจายสูตรเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มต่อมาพระอาจารย์สมได้ลาศิกขาบทเด็กชายแพ จึงไปอยู่กับอาจารย์เทศคณะสิ์ที่วัดเดียวกันนั้นด้วยต้องไปศึกษาหาความรู้ต่อเด็กชายแพร่ร่ำเรียนกับพระอาจารย์เทศมาได้หนึ่งปีก็ขอไปเรียนบาลีวยาก์ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ซึ่งพระอาจารย์เทศก็มีความหินชอบด้วยก็ อ, อนุญาตให้ไปเล่าเรียนตามความประสงค์ได้ กล่าวได้ว่าชีวิตในช่วงปฐมวัยของเด็กชายแพร่ขำวิบูรณ์นับได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่สั่งสมประสบการณ์ทางการศึกษาได้อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวคือได้มาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางชุมชนใหญ่ในเมืองหลวงนี้ต้องมีการปฏิบัติดูแลตนเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่อาศัย หรือแม้แต่การศึกษาเล่าเรียนต้องดิ้นลนขวนขวายพึ่งพาด้วยสติปัญญาของตนเองทั้งสิน้นบรรพชาเป็นสามเณรเด็กชายแพ้ได้เฝ้าศึกษาหาความรู้เล่าเรียน จนมีอายุครบ16ปีก็กลับบ้านเกิดและได้บรรพชาเป็นสามเณมร เ, เมื่อวันพฤหัสบดีห้าคำ่ำปีวอกตรงกับวันที่15้าเมษายนพุทธศักราช2463นณวัดพิกุลทองตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีพระอธิการ พันจันทะสะโรเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองอําเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพระอุปชาครั้นเมื่อบวชเป็นสามเณรแล้วก็ได้เดินทางกลับไปอยู่วัชนะสงครามตามเดิมแล้วได้เรียนว ย, ยากนต่อไปจนจบระดับป ร, ริญญาธรรม ต่อมานายเทียนใจมั่นคงบิดาผู้บังเกิดกล้าวก็เสียชีวิตลงด้วยความสงบถ่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของเด็กชายแผลและบรรดาญาติมิตรอุ ป, อปสมบทเป็ น, ปนพระภิกษุ ในฐานะสัมเนินผู้มีคุณวุฒิระดับชั้นป ร, ริยนธรรมซึ่งในสมัยนั้นกล่าวได้ว่าการศึกษาระดับนี้เป็นระดับที่สูงมากเวลานั้นท่านเจ้าคุณมงคลทิพมุนีอดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวัตรราชาวาดหรือวัดสามปลื้มกรุงเทพเป็นพระเถระที่มีความคุ้นเคย และเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในเขตหมู่บ้านแม่น้าน้อยจังหวัดสิงห์บุรีเป็นอันมากกุลบุตรของบรรดาชาวบ้านแม่น้ำน้อยส่วนมากได้บวชเรียนเป็นเนนก็ดีเป็นพระก็ดีล้วนแต่เคยเป็นคณะสิทธิ์ของท่านเจ้าคุณทั้งสิน้นกล่าวคือเมื่อบวชพระแล้วก็ได้มาจำพรรษาที่วัดสามปลื้มกันเป็นส่วนมาก ดังนั้นเมื่อสามเณรแพรคำวิบูลจะทำการอุปสมบทบิดามารดาจึงได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณมงคลทิพมุนีมาเป็นพระอุปชา สามารถเนนป ร, รียแพรคำวิบูลได้ทำการอุปสมบทเมื่ออายุครบ21ปีบริบูรณ์ในวันขึ้นหกคำ่ำปีขานตรงกับวันพุธที่21เมษายนพุทธศักราช2469นรณวัดพิกุลทองตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีพระมงคลทิพมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวัตรราชาวาดเป็นพระอุปชาท่านพระครูสิทธิเดชวัชนะสงครามเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านเจ้าอาธิการอ่อนวัดจำปาทองเป็นพระอนุสวนาจารย์ได้รับฉายาว่าเข้มังคโร ภายหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วพระภิกษุแพเขมังการโหรือมหาแพก็ได้เดินทางกลับจำพรรษาอยู่วัชนะสงครามตามเดิมความกะตันยูรู้ขุณพระภิกษุแพ เถมังกโรแห่งวัดพิกุลทองท่านเป็นผู้ที่มีความกะตัญยูรู้คุณมาตั้งแต่เยาว์วัยภายหลังที่พระภิกษุแพ är, เถมังกโรอุปสมบทได้ไม่นานนักนางเพียนคำวิบูลมารดาบุญธรรมก็ได้ล้มป่วยลงด้วยวัยชราด้วยวิสัยของผู้ที่มีความกะตัญญูกระตะเวทีของท่าน จึงเป็นเหตุให้เข้ากราบลาเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามกรุงเทพขอไปอยู่จำพรรษาที่วัดพิกุลทองบ้านเกิดเมืองสิงห์บุรีเพื่ออยู่ปรนิบัติมารดาขณะเจ็บป่วยในฐานะเป็นลูกคนเดียวที่บิดามารดาเคยรักใคร่ตั้งใจให้ได้ดีมีวิชา พระมาหาแพในเวลานั้นท่านได้ตอบแทนพระคุณของมารดาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดท่านพยายามรักษาพยาบาลมารดาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการป้อนข้าวป้อนยาเช็ดตัวเทกระโถนอุจจาระปัสสาวะซึ่งนับได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นผลในความรู้สึก เป็นอำนาจผลแห่งการตอบแทนพระคุณได้อย่างสูงยิ่งนางเพียรขำวิบูลผู้เป็นมารดาได้รับพลังจิตที่อบอุ่นเบาใจชื่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้กับพระลูกชายผู้เป็นที่รักของท่านนับเป็นพลัง และกำลังแรงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยหมดความห่วงใยในสิ่งทั้งปวงเหลือแต่ความอินเอิบเบิกบานใจและทำให้ผู้ป่วยสามารถปรงสังขารได้อย่างวิเศษการศึกษาทางด้านพระปริยติธรรมของมหาแพร หรือพระภิกษุพแพเขมังกโรนั้นเป็นไปตามความปรารถนาที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการแต่สังขารซึ่งเป็นสิ่งของธรรมชาติกำหนดให้นั้นไม่ใช่ของอมตะพระภิกษุพแพเขมังการโหรือมหาแพพยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนพยายามขวนขวาย ศึกษาหาความรู้ดูหนังสือตำราเรียนอยู่เสมอๆด้วยความมุมานะพยายามอาศัยแสงไฟจากเทียนไขหรือตะเกียงโดยส่วนมากด้วยสาเหตุนี้ในตาอันเป็นส่วนสำคัญของสังขารก็เกิดมีอาการเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาและเมื่อยามใด หยิบหนังสือนังหาตำราเรียนมาศึกษาหรือเพ่งอ่านก็เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงในที่สุดนายแพทย์โรงพยาบาลจุฬาแนะนำไม่ให้อ่านหนังสืออีกต่อไปมิฉนั้นในตาอาจจะพิการได้ดังนั้นหลังจากสอบได้ปรรียนธรรมสี่ประโยคแล้ว การศึกษาทางด้านปริยติธรรมก็ต้องยุติลงทันทีศรัทธาของประชาชนหลวงพ่อแพรเขมังกโรโหรือพระเทพสิงหะบูราจารแห่งวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี แม้ท่านจะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ประชาชนทั้งหลายมีความเคารพนับถือมากแต่ท่านก็ยังปฏิบัติตนเองเหมือนอดีตสมัยแรกที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้น้อยกล่าวคือท่านมีความเป็นผู้ปกตินิสัยเป็นคนพูดง่ายกินง่ายยิ้มง่ายพบง่าย เป็นที่สบายอกสบายใจของผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เป็นผู้มีปกตินิสัยของหลวงพ่อแพรเขมังการโอจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนชาวพุทธศาสนาเป็นอย่างมากสมัยที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัชนสสงครามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อแพรท่านเป็นพระภิกษุที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในย่านตลาดบางลำพู ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเนื่องด้วยทุกคนมีความเลื่อมใสในปฏิปทาอันเป็นจริยวัดที่หมดจดงดงามของท่านมากเพราะนิสัยพูดง่ายยิ้มง่ายอยู่ง่ายกินง่ายมีความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่มีความสันโดษมากน้อยได้ก็ดีไม่ได้ก็ดี ไม่ถือเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นหลวงพ่อแพรจึงมีความบริบูรณ์พอดีไม่ว่าอาหารบินทบาดยารักษาโรคปัจจัยที่จำเป็นท่านไม่เคยเดือดร้อนต่อมาเมื่อเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน ม, มรณภาพลงชาวบ้านพิกุลทองและชาวบ้านจำปาทองสองหมู่บ้านได้ปรึกษาหารือกันและได้ตกลงใจนิมนต์พระมหาแพรเขมังการโรขึ้นเป็นเจ้าอาวาสครองวัดพิกุลทองสืบต่อไปซึ่งหลวงพ่อแพรก็มิอาจปฏิเสธความศรัทธา และประสงค์ของชาวบ้านพิกุลทองและชาวบ้านจำปาทองได้ในสมัยนั้นพระมหาแพรเป็นที่ชื่นชมของชาวจีนในกรุงเทพเป็นจำนวนมากวันเดินทางกลับท่านได้ลงเรือที่ท่าเตียนโดยมีพระภิกษุสามเณรและญาติโยมได้พากันไปส่งอย่างเนืองแน่น บางรายติดตามไปส่งท่านจนถึงวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่และเพื่อความแน่ใจว่าพระมหาแพรอันเป็นร่มโพ ร, ร่มไทรอันหนึ่งอันเดียวกันของพวกเขาทั้งหลายได้เดินทางสู่จุดหมายปลายทางแล้ว หลังจากรอแหลมอยู่ในเรือก็มาถึงท่าน้ำที่จะต้องเดินเข้าสู่วัดพิกุลทองซึ่งห่างจากท่าเรืออกรยไปวัดพิกุลทอง4กิโลเมตรระหว่าง น, นั้นได้มีชาวบ้านพิกุลทองและชาวบ้านจำปาทองได้ทำเฉลียงไม้หามจัดขบวนแห่ไปต้อนรับท่านอย่างสนุกสนาน วันที่ท่านเดินทางไปถึงและเป็นเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองคือเดือนเมษายนพุทธศักราช 2,374 ปีมาแม่วัดพิกุลทองตั้งอยู่ณริมฝั่งแม่น้ำน้อย เขตตําบลถอนสมออําเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นเมื่อปีถกพุทธศักราช2434ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมชื่อว่าวัดใหม่เพราะเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ว่าบรรดาวัดในเขตอําเภอเดียวกันต่อมาเมื่อทางราชการ กำหนดทำทะเบียนวัดในเขตชนบทขึ้นวัดใหม่จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหม่พิกุลทองครั้นในปีพุทธศักราช2485ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อวัดอีกครั้งเป็นวัดพิกุนทองเพื่อให้ออกเสียงแล้วฟังดูเหมาะสมพุทธศาสนิกชน จึงนิยมเรียกชื่อนี้ตลอดมาอาณาเขตวัดพิกลทองได้ถูกแบ่งออกเป็นสองเขตคือเขตสังคาวะกับเขตพุทธสถาน เมื่อมาอยู่ในวัดพิกุลทองหลวงพ่อแพรเขมังกโรดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองด้วยอายุเพียง26ปีเท่านั้นและในเวลาเดียวกันสภาพของวัดพิกุลทองก็ชํำรดสุดโสมอย่างหนักพระอุโบสถหลังคารั่วุ่มฝนฟ้าที่ตกลงมาไม่ได้กุติสง ก็ทำผ่าจะล้มเอียงนอนท่านจึงได้ดำเนินการบอกบุญไปยังญาติโยมที่ศรัทธาของท่านให้ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยร่วมปฏิสังขรณ์การสร้างพระโบสถจนเป็นที่เรียบร้อยนอกจากพระโบสถแล้วยังสร้างศาลาการเรียนเพื่อบรรดาญาติโยมที่มาทำบุญจะได้มีสถานที่ไว้ประกอบกิจกรรม และยังสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้นอีกด้วยนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาวัดพิกุลทองก็เริ่มมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลำดับการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดและนอกวัด ล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินการของท่านทั้งสิ้นทุดงสู่ป่าเขาหลวงพ่อแผ่นั้นท่านได้ทุดงขวัดเป็นจำนวนหลายครั้งหลายหนในปีพุทธศักราช 2,501 หลวงพ่อแพรคณะลูกศิษย์จำนวนสี่ชีวิตเป็นคารวาสหนึ่งคนได้ออกบำเพ็ญเพียรหาวิเวกตามป่าดงพงไพรเมื่อเดินทุดงไปถึงจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อแพและคณะจึงได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบุญทวีหรือวัดถ้ำแกลบบริเวณเขาหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ในพรรษานี้ท่านได้บำเพ็ญภาวนาอย่างได้ผลทางใจเป็นอันมากท่านไปบำเพ็ญภาวนาอย่างพระป่าโดยทั่วไปคือ 1. บินทบาทเป็นวัด 2. ฉันหนเดียวเป็นวัด 3. ถือผ้าสามผืนเป็นวัด นอกจากนี้ท่านยังถือเคร่งครัดคือจะยืนนั่งนอนต้องพรั่งพร้อมได้ด้วยสติสัมพชัญญะและจะนั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลานานสลับด้วยการเดินจงกรม จากที่ออกพรรษาแล้วท่านก็ได้ออกเดินทางกลับวัดภิกุลทองเพื่อดูแลพระภิกษุสงฆ์และสามเณรซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองต่อไปถึงแม้ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระฝ่ายปกครองแต่ถ้าว่างเว้นจากหน้าที่การงานแล้วหลวงพ่อแพ่จะต้องหลบไปบำเพ็ญสมณธรรม ในกุติกรรมฐานอันเป็นสถานที่จเจริญธรรมข้ามกลางป่าช้าวัดพิกุลทองเสมอเสมอหลวงพ่อแพ่มีความรู้สึกว่าวัดบุญทวีหรือวัดถ้ำแกลบเป็นสถานที่อันสงบสงักเป็นสัปปายะทางจิตใจมาก ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเลือกจำพรรษาณวัดบุญทวีถึงสองพรรษาด้วยหลวงพ่อแพรรู้ชัดในจิตใจว่าการอยู่อย่างสงบและทำตนเป็นพระธรรมดาธรรมดาจะมีผลต่อทางจิตมากขึ้น ในการปฏิบัติธรรมภาวนาของหลวงพ่อแพรเขมังการโอในเบื้องต้นนั้นก็มีการศึกษาภาวนากรรมฐานขึ้นก่อนที่จะมีการปฏิบัติธรรมภาวนาจรงิงทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อต้องการความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากยิ่งขึ้น จาระคือความประพฤติปฏิบัติมารยาทของตนเองอันเป็นสิ่งสําคัญส่วนหนึ่งของการปฏิบัติพระธรรมวินัยเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สุขเต็มที่แก่ผู้ปฏิบัติหลังจากการศึกษาภาวนากรรมฐานแล้วก็เป็นการเริ่มปฏิบัติจริงมีการอบรมจิตคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา จัดทุกของมวลชนหลวงพ่อแพรเขมังกาโรท่านเป็นพระภิกษุที่มีสติปัญญาก้าวไกลมากองหนึ่งท่านจะทอมตัวอยู่เสมอว่าอาตม า, า, ตมาเป็นพระบ้านาน อ, อกขอกนาไม่ประสาอะไรมากนักซึ่งใดที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ทำให้ชาวบ้านเป็นสุข ท่านจะทำทันทีด้วยหลวงพ่อคิดว่าแม้เราเป็นสงฆ์ <สง S 2> ก็ตามทีเห็นทีจะนั่งจะนอนจะกินของชาว บ, บ้านแต่ฝ่ายเดียวก็กคงไม่ได้ต้องช่วยเขาบ้า ง, งแม้จะเป็นเรื่องโลกยังไรก็ตาม ในปีพุทธศักราช2501โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำน้อยของกรมชลประทานได้สร้างคลองถนนกั้นน้ำเป็นเหตุให้การคำนาคมอำเภอรพรมบุรีกับหมู่บ้านในเขตตำบลถอนสมอตำบลโพประจักษ์ตำบลวิหารขาวถูกตัดขาดจากกันการเดินทางไปไหน มันลำบากทั้งทางบกและทางเรือปัญหาใหญ่นี้เองทำให้หลวงพ่อแพรที่เป็นพระบ้านนอกกับพระมหาผลเจ้าอาวาสวัดโบกตลอดถึงทางราชการอำเภอพรมบุรีได้วิ่งเต้นเอาใจใส่ ต่างก็ร่วมแรงร่วมมือกันเป็นธุระในที่สุดชาวบ้านทุกครอบครัวก็ได้รับความสะดวกสบายในการที่จะนำสินค้ากเกษตรพืชไร่นนมาขายไม่ต้องรอนแรงกันไกลอย่างแต่ก่อน หลวงพ่อแพ่ท่านเป็นพระของประชาชนและเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ชาวบ้านร้านตลาดและพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลายให้ความเลื่อมใสศรัทธาและให้การยกย่องว่าแม้ท่านได้ไปนั่งบ้านไหนเรือนใดบ้านนั้นเรือนนั้นจะเกิดความเป็นสิริมงคล หลวงพ่อแพรท่านเป็นภิกษุสงฆ์ที่เข้มแข็งเอางานเอาการเสมอท่านมีดำริที่จะสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวบ้านและเพื่อเป็นการสื่อพระศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปในวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2517ตรงกับวันขึ้นหนึ 5, ่งค่ำเดือนสี่ หลวงพ่อแพรได้ประกอบพิธีในการวางศิลาฤกษ์ก่อฐานพระพุทธรูปวันรุ่งขึ้นก็ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสิงห์บุรีและใกล้เคียงบำเพ็ญกุศลเนื่องด้วยวาระอายุครบรอบเจสิปีตรงกับวันขึ้นสิบค่ำเดือนหนึ่งอีกด้วย สร้างพระบางประธานพรพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีหลวงพ่อได้กำหนดวันเวลาเป็นแรงปีเพราะการที่จะสร้างพระองค์ใหญ่ๆนั้นต้องใช้งบประมาณในการสร้างเป็นล้านขึ้นไปดังนั้นเมื่อหลวงพ่อแพ้ท่านสร้างพระองค์นี้เสร็จสิ้นลงแล้วก็จะมีหน้าตักกว้างสอดวา เก้าสิบสองอเจ็ดนิ้วส่วนความสูงนับตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปถึงยอดรัศมีประมาณ21วาหนึ่งคืบสามนิ้วโดยรอบสร้างเป็นวิหารประจำวันต่างๆองค์พระปางประธานพรบุด้วยกระเบื้องโมเสศสีทองเหลืองอารามทั้งองค์ ในวิหารคดจะได้เขียนภาพจิตกรรมฝาผนังอันเป็นภาพประวัติต่างๆในพระพุทธศาสนาและบัดนี้พระปฏิมากรปางประธานพณที่หลวงพ่อแพรวัดที่กุลทองดำริสร้างนั้นได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกประการเป็นที่ชื่นชมและอนุโมทนา ในกุศลเจตนาของท่านหลวงพ่อแพรแห่งวัดพิกุลทองเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้วัดพิกุลทองก็เป็นเสมือนหนึ่งพุทธอุทยานที่ชาวพุทธทั้งใกล้ไกล ต่างก็เดินทางไปเยี่ยมเยียนอยู่เสมอมิได้ขาดบางรายก็เดินทางไปเป็นหมู่คณะเมื่อได้กราบนมัสการเจ้าสำนักคือหลวงพ่อแพรเขมังกรรโรแล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนในคณะตั้งใจไปบูชาคือองค์พระปฏิมากรบางประธานโพน์เพื่อเป็นสิริมงคล บนแผ่นดินวัดิกุลทองท่านเจ้าคุณพระเทพสิงห์ักภูรา j a n หลวงพ่อแพรเขมังการโรแห่งวัดพิกุลทองตำบลถอนสมออำเภอ่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีท่านอายุได้94ปีพันศา72นับได้ว่าท่านหลวงพ่อแพรเขมังการโร เป็นพระภิกษุระดับเกจิอาจารย์ผู้อาวุโสองค์หนึ่งในสยามประเทศ ถ้าจะย้อนอดีตไปนับตั้งแต่วันแรกหลวงพ่อแพรเดินทางมาจากวชชะสงครามกรุงเทพมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองเมื่อปีพุทธศักราช2474มาถึงปี2542ก็เป็นเวลานานถึง68ปีผลงานที่ท่านสร้างไว้หลายประการ เช่น 1. ผลงานพัฒนาทางด้านถาวรลวัตถุ 2. ผลงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ 3. ผลงานทางด้านพัฒนาจิตใจล้วนแล้วแต่มากมายกายกองสุดจะนำมากล่าวไว้ณที่นี้เมื่อจะกล่าวถึงผลงานไว้แต่ละชนิด ล้วนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมหาศาลทางด้านปฏิปทาที่ได้ยินจากปากของผู้ที่ประสบพบเห็นก็เป็นที่เชื่อกันได้ว่างดงามอย่างยิ่งความสันโดษมักน้อยอยู่ง่าย กินง่ายและมีความรู้พร้อมด้วยสติปัญญามีอยู่พร้อมแล้วในจิตใจของหลวงพ่อแผ่พระภิกษุผู้กรรมพระโยมแม่มาตั้งแต่เป็นทารกวัยแปดเดือนท่านบวชเรียนมาเป็นระยะเวลากว่า6 8สพรรษา ศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉานเป็นพระกรรมฐานที่มีศีลวัดปฏิบัติดียิ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงท่านเป็นพระสงฆ์ของประชาชนสมควรที่จะได้รับการเคารพว่าเป็นสุปฏิปันโนคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสารคดีอมตะพระอริยสงฆ์พระเทพสิงห์บุลาจาร์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินมาถึงท้ายรายการแล้วเรื่องราวของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบมีศิลวัตดียิ่งนั้นยังมีอีกมากมายหลายรูปที่ควรแก่การศรึกษาและรำลึกถึงการจัดทาสารคดีอมตะพระอริยสงฆ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเอาอัตชีวประวัติ ของพระเถระเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้วมานำเสนอต่อท่านผู้ชมเรื่องราวของพระเถระทุกท่านนั้นสมควรแก่การเผยแผ่ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับรทราบทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านนั้นนั้นให้ขจรขจายอย่างกว้างขวางไว้ในแผ่นดินสยาม โอกาสนี้ต้องกราบลาไปก่อนขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและบารมีแห่งพระเทพสิงหะบุราจาร์หลวงพ่อแพรวัดพิกุณทองได้โปรดประทานและอำนวยพรให้ทาท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดี